ยามประคองใจของเราให้อยู่ในความพอดีคือไม่หย่อนแล้วก็ไม่ตึงหย่อนก็คือว่าไม่ใส่ใจอันนี้จะทำให้เราใจลอยได้ง่ายแล้วก็เผลอเข้าไปในความคิดแต่ถ้าเราตึงเกินไปหรือมีความตั้งใจมากไปมันก็จะเข้าไปเพ่ง เรารักษาใจให้พอดีพอดีก็จะไม่เข้าไปในทางสุดโต่ง2ทางทางสุดโต่งอันแรกคือว่าไปเผลอเผลอเข้าไปในความคิดหลุดเข้าไปในอารมณ์แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการไปเพ่งพยายามที่จะควบคุมความคิดพยายามที่จะเอาชนะความคิดพยายามที่จะกดข่ม อารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มารบกวนจิตใจอันนี้เป็นทางสุดโต่งนะไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางจะเป็นไปได้ก็ต่เมื่อระวางใจไว้พอดีพอ ด, พอดีแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะรักษาใจให้พอดีได้บางครั้งเราก็า จ, จะเฉยเนื่อยเฉยแฉะแล้วก็ปล่อยใจลอย เผลอก็ไปในความคิดแต่บางครั้งเราก็ตั้งใจจะเอาให้ได้จะเอาชนะความคิดมันฟุ้งซ่านทีารนี้งดงีตัวเองว่าไปเผลอเผลอคิดได้ยังไงก็จะไปพยายามก็ไปเพ่งหรือไปพยายามห้ามความคิดด้วยการปักจิตหรือตรึงใจอยู่ตรง ส่วนดนส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นเอาไปเพ่งเอาจิตไปเพ่งที่มือหรือว่าไปเพ่งที่เท้าคล้ายๆก็เป็นการมัดมันเอาไว้มัดจิตเอาไว้ไม่ให้มันท่องเที่ยววิธีนี้มันไปนานๆ น, น, นี่ก็จะเครียดนะและยังไงก็ตามก็ไม่มีทางที่จะไปบังคับให้มันอยู่กับที่ได้อย่างที่เราต้องการมันก็จะแวบไปพอแวบไปมันก็ เท่ากับว่าขัดใจเราเราก็ยิ่งหงุดหงิดแล้วเมื่อเราหงุดหงิดนั่นก็แสดงว่าเราไม่มีสติแล้วคือไม่เท่าทันความหงุดหงิดแต่ถ้าหงุดหงิดแล้วก็รู้ว่าหงุดหงิดย่างดีนะเนีล่ลองดูจิตดูใจของเราว่ามันตึงหรือหย่อนความตั้งใจมากอันนี้มันเป็นเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติยิ่งตั้งใจมากนะก็ยิ่งห่างไกลจาก จุดหมายปลายทางยิ่งขึ้นทุกทีมีนิทานเซนเรื่องหนึ่งเขาเล่าเอาไว้ว่ามีชายหนุ่มไปหาครูดาบเป็นครูดาบหรือว่าเป็นครูซามูไรนะที่เก่งกาจมากชายหนุ่มคนนี้มีความกระตือรือร้นมาหาครูดาบว่าให้ช่วยสอนให้หน่อยแล้วก็ถามว่ากี่ปีนะถึงจะเชี่ยวชาญในเพลงดาบ อาจารย์ก็บอก8ปีพอได้ยินเท่านั้นแหละนแกก็พงาบอกว่าทำไมมันนานเหลือเกินนะผมจะทำเต็มที่เลยผมจะพยายามทำให้ได้จะใช้เวลาน้อยกว่า น, นี้ได้ไหมอาจารย์ก็เลยบอกงั้นก็30ปีเจอ30ปีก็ใจเสียเลยบอกว่าพ่อผมแก่แล้วนะ พ่อผมเนี่ยอยากจะเห็นผมเนี่ยเป็นเซียนดาบก่อนตายนี่อยากจะให้พ่อได้เห็นว่าผมนี้เชี่ยวชาญในเพลงดาบยังไงบ้างอาจารย์พอจะมีวิธีทำให้ผมได้สาเร็จเพลงดาบเร็วกว่า น, นี้ไหมอาจารย์บอกงั้น50ปีไปเลยเจออย่างนี้เขาก็ก็เรียกว่าฝ่อไปเลยแต่ว่ามาถึงมาถึงสำนักแล้วนะ ยังไงก็ต้องาพากเพียเพยายามปรากฏว่าพอฝึกอาจารย์ได้แค่สองสามปีเท่านั้นแหละก็เชี่ยวชาญในเพลงดาบเรียนจบทุกวิชาทุกกระบวนท่าที่อาจารย์ได้รู้มาทำไมอาจารย์เนี่ยถึงนะพูดให้ลูกศิษย์เนี่ยเกิดความท้อขึ้นมาที่แรกก็แปดปี ตอนหลังก็30ปีสุดท้ายก็50ปีเพราะอะไรนะก็เพื่อที่จะทำให้พรออาจารย์นี่เห็นว่าชายหนุ่มคนนี้นี่มีความทะเยอทะยานมีความหึกเหิมมีความอยากมากอยากจะสำเร็จเพลงดาบเร็วๆอาจารย์ก็เลยพูดเพื่อที่จะทำให้เลิกหวังเพราะว่าไอ้ความทะเยอทะยานหรือว่าความหึกเหิมมุ่งมั่นอยากจะ สำเร็จเร็วๆเนี่ยมันคืออุปสรรคเพราะว่าการเรียนเพลงดาบเนี่ยมันก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยใจที่สมดุลนะใจที่พอดีพอดีคนที่มีความอยากมากเนี่ยมันทำให้การสำเร็จเนี่ยเนินช้าออกไปแต่พอไม่อยากไม่หวังเรียนได้เร็วขึ้น เรื่องความอยากหรือว่าความกระตือหรือลนความทะเยอยานความพึกเขิมอันนี้มันเป็นอุปสรรคสำหราการปฏิบัติพระพุทธองค์ก็เคยเจอนะพระที่มีความกระตือหรือลนในการปฏิบัติมากเรื่องมีไฟไฟแรงพาวลุมนั้นก็เป็นอุปถาของพระองค์เองก่อนพระอันนท์ก็คือพนาคิตตระนาคิตตานี่นะเป็นพุทธอุปถา คราวหนึ่งก็ได้บินธบาตได้จาริปไปกับพระพุทธองค์ก็เห็นสวนเห็นป่ามะม่วงที่ร่มลื่นก็ชอบอยากจะปฏิบัตินะปลีกวิเวกในป่านั้นตอนนั้นมีความต้องการมากก็เลยทูลขอพระพุทธเจ้าว่าขอจะปลีกวิเวกไปสวนป่ า, านี้พระพุทธองค์ก็สังเกตดูก็รู้ว่าจิตใจของพระนักขิตานั้นยัง ยังไม่พอดีคือยังมีความอยากอยู่มากก็เลยนวงเหนียวเอาไว้บอกว่าอย่าพึ่งเลยนะตอนนี้อยู่กันสองรูปเอาไว้ให้มีอุปถัมภ์มาแทนเธอก่อนถึงค่อยไปพระองเหนียวอยู่หลายครั้งเพระาะนายกิตาที่แรกก็ก็อยากจะไปให้ได้เพราะไฟนี่กำลังแรงแต่ว่าพอพระพุทธองค์เหนียวสองสามครั้งนศึกก็ไม่อาจจะ ท่านฝื้นการทัดทานของพระพุทธองค์ได้ก็เลยอยู่กับพระพุทธองค์แต่การที่ได้อยู่นั่นก็ทําให้ความอยากนี่มันเพ่าลงไฟนี่ก็ค่อยค่อยๆ่อยร ล, ลงจนกระทั่งพอดีพอดีพระองค์ถึงให้ไปปฏิบัติก็ทําให้การเจริญกรรมฐานก้าวหน้านะเป็นลําดับอันนี้นะคือเป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นว่าการที่เรามีความอยาก นะโดยเพราะความกระตือรือร้นเนี่ยถามากเนี่ยมันก็ไม่ดีนะอย่าไปนึกว่าดีในเรื่องทางโลกเนี่ยอาจจะเป็นของดีเพราะคนที่มีไฟแรงเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานการต่างๆให้เสร็จเน็ตสำเร็จได้แต่ว่าเรื่องทางทำโดยเพราะการบําเป็นทางจิตนี้ต้องอาศัยสภาพจิตที่ละเอียดอ่อนมันเหมือนกับเวลาเรา จะขุดดินหรือว่าทำงานขุดดินทำงานเช่นใช้แรงเนี่ยถ้ามีเสียงดังอยู่รอบตัวเราก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราจะทำงานที่ประเนี๊ต้องใช้ความคิดคิดบัญชีหรือว่าจะคิดโครงการเนี่ยถ้ามีเสียงดังอย่างนั้นเนี่ยมันก็รบกวนจิตใจคิดไม่ค่อยออกละ เพราะอะไรเพราะว่าต้องการความสงบเพราะว่าเป็นงานที่ประณีตเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดแต่ถ้าเกิดใช้แรงขุดดินหรือว่าถางหญ้าเนี่ยโอย้เสียงดังรอบข้างไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นงานที่หยาบงานที่หยาบนี่ก็ไม่ต้องมีอ่าสิ่งที่จะมารบกวนคือมันไม่เรียกร้องเงื่อนไขอะไรมากยิ่งเราทํางานที่ประณีตมาเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งต้องอาศัยสภาวะจิต ที่ละเอียดอ่อนมากเท่านั้นดังนั้นการบเป็นทางจิตเนี่ยเป็นงานที่ละเอียดกว่างานเรียนหนังสือหรือการทํางานทั้งโลกเพียงแค่หยอดเอาเพียงแค่มีความอยากเข้าไปมากๆเนี่ยอยากจะบรรลุธรรมอยากจะเอาชนะความที่อยากจะมีสติมันก็กลายเป็นอุปสรรคขึ้นมา ท, ทันทีสำหรับการปฏิบัติคนที่ประสบความสำเร็จทั้งโลกด้วยการพยายามที่จะ ผลกดันตัวเองฝืนทำรรฝืนคนเวลามาปฏิบัติบําเพ็ญทางจิตนี่จะรู้สึกว่ามันยากจะเรียกว่าล้มความขมำห ง, งายหรือล้มลุกคลุกคลาเลยทีเดียวเพราะว่าสภาพจิตอย่างนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะสําหรับ ก, การที่จะมาปฏิบัติหรือมาทํางานที่ละเอียดโดยเพอกำลังบำเพ็ญทางจิตคือการเจริญสติหรือว่าการทําสมาธิภาวนาเราก็ต้องรู้จักที่จะ ผ่อนผ่อนความอยากหรือว่ารีไฟในใจให้มันลดลงไปสักหน่อยแต่อย่าให้ถึงกระดับเสียเลยเพราะว่ามันจะกลายเป็นความเฉยชาเฉยเฉยก็จะเผลอเข้าไปในทางสุดตรงอีกทางนึงคือการเผลอเข้าไปในในความคิดฟุง้งซ่านนักปฏิบัติจะต้องเจอกับ2ทางนี่อยู่บ่อยๆคือว่าถ้าไม่เผลอก็เพ่งเพราะว่าใจเนี่ยไม่ไม่ค่อย ที่จะยอมอยู่ในความพอดีพอดีแต่ว่าของมุนี้ก็ไม่ยากเกินตัาการฝึกเราก็เคยทำอะไรที่ยากๆมาแล้วอย่างเราจะขับรถจั ก, กรยานใหม่ๆก็ขับยากเพราะว่าทรงตัวลำบากจะทรงตัวให้พอดีพอดีให้อยู่ในสมดุลนี่มันยากล้มอยู่เรื่อยไม่ล้มทางซ้ายก็ล้มขวายิ่งเราขี่จั ก, กรยานด้วยความรู้สึกที่เกรง็ง มือจับแผนก็เกรง็งตัวเกรง็งแขนเกรง็งเพราะอยากจะขับเป็นไวๆก็ไม่มีทางที่จะขับได้แต่ถ้าเราทำใจสบายๆแล้วก็กายก็สบายด้วยอย่าไปตึงนะอย่าไปเกร็งงั้นการขี่จักรยานก็จะเป็นเร็วและพอเราเป็นแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันไม่ต้องเกร็งเลยเลยมันสบายนะขี่จักรยานนี่นสบายไม่ต้องเกร็งเลยทั้งสิน้น มือแขนลำตัวขาก็ปล่อยไปตามธรรมดาก็กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาและที่มันง่ายเพราะว่าเราฝึกจนเป็นนิสัยจนกระทั่งเป็นสัญชาตญาณก็ว่าได้ถือไม่ได้ขี่มา20ปีมาขี่ใหม่มันก็ยังเป็นอยางนั่นแหละการปฏิบัติเจริญสติก็เหมือนกันให้เราทำใจสบายๆอย่าไปอยาก แล้วก็ต้องยอมที่จะยอมที่จะเจอกับสภาวะอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาความฟุ้งซ่านความเครียดความเบือ่อความเซ็งไปมองว่าอาการเหล่านั้นสภาวะเหล่านั้นเป็นปัญหามันเป็นธรรมดาไม่ใช่เป็นปัญหา บางคนปฏิบัติแล้วเนี่ยไปคาดหวังว่าจะต้องให้สงบต้องให้โปร่งเบายิ่งอยากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งถึงช้ายิ่งอยากจะไม่คิดมันก็ยิ่งคิดใจของเรานี่อาจจะมันก็เด็กเกเรเราบอกซ้ายเขาไปขวาเราห้ามเขากลับทายิ่งห้าเหมือนยิ่งยุ เพราะอะไรเพราะเป็นเด็กที่ไม่ได้รับการอบรมกล่อมเกลาที่จะไปบังคับก็ไม่ได้นะเราจะใช้วิธีบังคับเด็กซึ่งอาจจะเป็นลูกของเราก็ได้หรือจะเป็นหลานของเราก็ได้บังคับไปก็เป็นไปตามใจเราสุภาพเรียบร้อยอยู่ในอวัยของเราเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาถูกฝึกมาถูกเลี้ยงดูมาอีกแบบหนึ่งคือถูกตามใจจนเคยตัวหัวใจของเราเนี่ยถูกตามใจจนเคยตัว ถึงเวลาจะฟุ้งก็ปล่อยให้ฟุง้งถึงเวลาจะโกรธก็โกรธเราหลุดไปเผลอก็ไปแน่ลมอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเมื่อมาปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะทำตามาตนิสัยเนิมๆของเขาคือฟุง้งซ่านบังเอาแต่คิดโดดจากโน่นไปนี่หรือว่าหงุดหงิดลำคาญใจอะไรที่ไม่ถูกใจก็โมโหเมื่อใจของเรามันไม่เป็นไปตามใจอยากไม่ยอมอยู่ในโอวาก็โมโห โมโหใครโมโหใจของตัวเองโมโหตัวเองอันนี้ก็แสดงว่าเรายังไม่เรียนรู้เรายังไม่ยอนรับความจริงว่านี่แหละคือธรรมชาติของใจเราณนะวันนี้ณนะนาทีนี้ณนะวินาทีนี้แต่ไม่ได้ไหมายความว่าธรรมชาติหรือนิสัยของใจเราจะไม่เปลี่ยนแปลงไปมัก็เปลี่ยนได้แต่ว่าต้องอาศัยการฝึก หรือกล่อมกลาวด้ยการมาปฏิบัติอย่างนี้แหละทาซ้ําๆซากๆอย่าไปลาคาญอย่าไปรังเกียจความซ้ําเดิมมันไม่มีอะไรซ้ําหรอกมันเป็นของใหม่อยู่เสมอและถึงแม้จะไม่ใช่ของใหม่มันก็จําเป็นสำหรับการเรียนรู้การเรียนรู้นั้นต้องอาศัยการทําซ้ําๆเรารู้จักภาษาก็เพราะเราทําซ้ําๆเริ่มจากการเขียนกอขอกอกาทําซ้ํำๆ นะจนั้างมือเรานี่สา ม, มารถถือตบ ต, ต, ตัวอักษรได้สวยงามตามใจอยากนะไม่เหมือนตัวอักษรเก้งกล้างสมัยที่ยังแค่อายุสองสามขวบต้องหมดเนื้สายการทำซ้ำๆจนคุ้นเคยในะจของเรานี่แหละนะเมื่อเราปฏิบัติให้มีสติรู้ตัวในกายและใจอยู่เสมอการที่หัดระลึกจำ ละลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ยามที่ใจลอยฟุ้งซ่านขณะที่กําลังเดินจงกรมอยู่ที่สร้างจังหวะตัวอยู่นี่แต่ใจอยู่ไหนไม่รู้แต่พอระลึกขึ้นมาได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่สติก็ดึงจิตกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันการละลึกได้เช่นนี้อยู่บ่อยๆจะทําให้สตินิวัยแล้วก็รวดเร็วมากขึ้น ต้องระลึกบ่อยๆนะระลึกบ่อยๆระลึกบ่อยๆรลึกบ่อยๆมันก็จะไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นเหมือนกับเราท่องสูตรคูณเหมือนกับเราท่องอักยานไม่รู้สมัยนี้ท่องกันหรือเปล่าท่องสูตรคูณใหม่ๆก็ท่องจะนึกว่า5้าคูณเเป็นเท่าไหร่เนี่ยมันใช้เวลาแต่พอท่องบ่อยๆท่องบ่อยๆนี่ลึกบ่อยๆนึกบ่อยๆนี่พอเอ็น5้คูณก็ตอบไมาทันทีเลย35มมันออกมาเอง สติเราก็เหมือนกันพอเราเราลึกอยู่บ่อยๆเราลุยบ่อยเขาก็จะมาบอกเองมาเตือนเราเองเมื่อเราเผลอฟุ้งไปอันนี้มันเป็นหน้าที่ของสติหน้าที่ของเราคือว่าทําความเจริลงองงานไม่เก่สติเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะบอกให้ต้นไม้โตวไวๆการที่ต้นไม้จะโตวไวหรือไม่เป็นหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราคือรดน้ำพรวนดิน ส่วนเรื่องการเจริญเติบโ ต, ตนี่เป็นหน้าที่ของต้นไม้ไม่ใช่หน้าที่ของเราเขาจะออกดอกออกผลหรือไม่เป็นหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเราคือลดน้ํำผล ด, ดินสติก็เหมือนกันนะสติจะการที่จิตเราจะหลุดจากอารมณ์ความฟุ้งซ่านมันเป็นหน้าที่ของสติมันไม่ได้อยู่ที่ความอยากของเราแต่สิ่งที่เราทําก็คือว่าการทําให้สติจเจริญก้าวหน้าเรื่อยๆ ก็คือระลึกได้อยู่บ่อยๆรอลึกย่ายอยู่บ่อยๆเมื่อสติเติบโตมันก็เป็นหน้าที่ของเขาเองที่จะเข้าไปเปลืองจิกออกจากอารมณ์ให้เป็นอิสระปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสติอย่าไปแทรกแซงอย่าไปทำเกินหน้าที่แต่ว่าระหว่างที่กำลังเริ่มต้นปฏิบัติเนี่ยนะมันก็ต้องเจอกับอารมณ์ต่างๆมากมายมันไม่ต่างจาก การที่เรามากวาดบ้านที่ถูกทิ้งรกร้างไว้เป็นปีๆลองนึกถึงบ้านหรือศาลาที่ถูกทิ้งรกร้างเป็นปีๆเนี่ยเมื่อเราจับไม้กวาดมากวาดทำความสะอาดบ้านหรือทาความสะอาดศาลาเกิดอะไรขึ้นฝุ่นมันก็ฟุ้งตลบเลยถามว่าจะยอมแพ้ไหมถ้ายอมแพ้ก็ไม่มีวันที่ศาลาหรือบ้านจะสะอาดได้ ก็ต้องยอมนะบางคนบอกว่าอตอนแม่ปฏิบัติไม่เห็นฟุ้งซ่านเลยขนาดนี้แต่พอมาปฏิบัติฟุ้งเแย่ๆนั่นเพราะเรากำลังกวาดกวาดฝุ่นที่มันหมักหมมอยู่บนพื้นศาลาหรือว่าพื้นบ้านที่หมักหมมกันมานานก็ต้องยอมคนอยู่บ้างจะบ่นก็บ่นได้แต่อย่าบ่นนานกลับมาทำงานต่อและไม่นานเราก็จะเห็นผลว่า บ้านก็จะสะอาดเห็นแล้วก็ชื่นตาชื่นใจทุกอย่างนะที่เกิดขึ้นกับใจของเราเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์นะแม้แต่ความสับสนความหงุดหงิดความเครียดถ้าเราเพียงแต่รู้ตัวว่าสับสนรู้ตัวว่าเครียดนั่นแหละใช่แล้วนั่นแหละแสดงว่าเรารู้เพิ่มขึ้นมาแล้ว การปฏิบัตินี่ไม่ได้ไหมายความว่าจิตมันจะนิ่งไปตลอดถ้ามีใครมาถามว่าเรารู้อะไรบ้างตอบก็ไปอย่างเต็มปากเลยว่าได้รู้ตัวว่าเครียดอันนี้ถือว่าถูกแล้วละ่ะปฏิบัติถูกแล้วรู้ตัวว่ากำลังสับสนรู้ตัวว่ากำลังหงุดหงิดอันนี้ล่ะถูกแล้วอะไรเกิดขึ้นกับใจขอให้รู้ไม่ว่าจะบวกหรือลบ ไม่ใช่ว่าจะต้องรู้รู้เห็นสิ่งที่ดีๆไอ้ที่ไม่ดีถ้าเกิดขึ้นกับใจแล้วรู้ตัวว่ามันเกิดขึ้นนั่นแหละถูกทางแล้วใครมาถามว่ารู้อะไรบ้างรู้ว่ากาลังเครียดรู้ว่ากาลังสับสนรู้ว่ากาลังเบือ่อรู้ว่ากำลังง่วงอันนี้แหละก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าวิปัสสนาแล้ววิปัสสนานี่มันไม่ใช่เป็นคาที่ ห่างไกลจากการรับรู้ของเราแต่ว่ามันไม่ได้ลึกลับซับซ้อนการที่เรารู้ตัวหรือเห็นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นถ้ารู้ตัวว่าสงบนั่นก็ใช่ถ้ารู้ตัวว่ากำลังขุนเคืองใจนั่นก็ใช่ถ้ารู้ตัวว่ากำลังสับสนกำลังหงุดหงิดนั่นก็ใช่เราไม่ได้กาลังมาทำสมถกรรมาฐานเพื่อให้ใจสงบดิ่งนิ่งเหมือนกับก้อนหินไม่ใช่ รู้อะไรก็ตามนั่นแหละคือกําไรทั้งนั้นเช่นเดียวกับการที่รู้มือที่เคลื่อนไหวรู้กายที่กําลังเดินไปเดินมาคือรู้กายนั่นก็ใช่รู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกจะคิดจะนึกอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าต้องดีถึงจะถูกคิดไม่ดีก็ใช่เหมือนกันขอเพียงแต่รู้และอย่าเผลอแต่เผลอก็ไม่เป็นไร เผ็อเสร็จแล้วก็รู้ทีหลังว่าเผลอนั่นก็ใช่ให้เราพร้อมน้อมรับกับประสบการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจของเราอย่าไปผลักไสอย่าไปปฏิเสธอย่าไปรังเกียจแต่ก็อย่าไปคลอเคลียคลุกเคล้ากับมันบางคนจะเข้าไปผลักไสมันอยากจะขับไล่มันสุดท้ายก็ถูกมันกินไปเลยเวลาอยากจะไปผลักไสความโกรธความเครียดสุดท้ายเราเอง กลายเป็นผู้โกรธผู้เครียดมันฉลานีมันล่อเรามันมีแรงดึงดูดนะอารมณ์พวกนี้เผลอจะเข้าไปจัดการมันมันอะมันต่างหาที่มันจัดการเราคนที่คิดว่าจะไปจัดการอารมณ์พวกนี้ได้นี่ไม่รู้จักอารมณ์เรานั้นเผลอเข้าไปจัดการมันมันจัดการเราแทนแล้วทำยังไงก็เพียงแต่รู้เฉยๆรู้ตัวว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับใจเราอารมณ์นี้เกิดขึ้นกับใจเราแค่นั้นเอง ถ้าใครมาถามว่ารู้อะไรก็บอกว่าเนี่ยรู้ตั ว, วเครียดรู้ตัวว่าทุกข์ถ้าตอบอย่างนี้อาตมาอาตมาก็ให้คะแนนไปเลยแต่ถ้าตอบอย่างอื่นก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นนี่ก็ขอให้เราเข้าใจการปฏิบัติให้ยอมรับหรือว่าระลึกรู้ในอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจไม่ว่าบวกหรือลบคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างเท่านั้นแหละนะพูดอย่างนี้แลนี่ยังจะเห็นว่ามันยากอยู่อีกหรือเปล่า มันไม่ยากหรอกแต่ที่มันยากก็คื อ, อใจของเราที่อยากจะให้มันเป็นมน่นเป็นนี่ต่งหาใจที่คาดหวังอยากจะให้เป็นอย่างโน่เป็นอย่างนีอย่างนี้แหละที่มันทำให้ยากแต่ถ้าไม่คาดหวังอะไรเกิดขึ้นก็รู้ก็เห็นเท่านั้นแหละมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมา